ดูกาพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถิดนะนะหนึ่งให้เจริญอสุภะนะครับสองให้เจริญ อาณาปานาสติ 3. ให้เจริญอนิจจสัญญานะครับที่บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่จงเข้าไปตั้งอาณาปานาสติไว้เฉพาะหน้าในภายในและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เถิดดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเธอพิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายอยู่ย่อมละ ราคาโนใสัยเพราะความเป็นธาตุงามได้าทาทนะครับสุภาธาตุน่ะนะธาตุที่สําคัญว่า ง, งามเนี่ยนะครับถ้าเจริณาสุภาก็จะละความสําคัญว่า ง, งามหรือว่าสุภานิมิตได้เมื่อเธอทั้งหลาย <S <S <at> เข้าไปตั้งอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในธรรมะเป็นที่มานอนแห่งวิตกทั้งหลายคือมิจฉาวิตกในภายนอก อันเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นย่อมไม่มีคือถ้าหากว่าเจริญอาณาปานสติเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตรึกพลาดไปใช่ไหมเมื่อไม่ตรึกอารมณ์พลาดมันก็จะไม่คับแค้นใจสังเกตดูนะครับว่าพระเนนที่เป็นคนเครียดเรื่องหงุดหงิดเนี่ยนะครับเนื่องจากความคิดที่แสไปเองนะครับแสบไปหาคนโน้นทีคิดไปหาคนนั้นที แล้วก็อารมณ์ที่คิดโดยเฉพาะปฏิฆานิมิต ส, ส่วนใหญ่นะปฏิฆา น, นิมิต น, นะนะเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบนะเราจะคิดถึงเรื่องนั้นวิตกที่ตรึกเป็นไปกับเรื่องนั้นบ่อยๆก็จะเป็นไปเพื่อความขับแค้นนะครับคิดไปก็ยิ่งอึดอัดกลายเป็นเครียดเป็นวิตกกังวลไปเลยใช่ไหมครับนะเอาเรื่องดีๆเอามาคิดบ่อยไหมแต่ว่าไปเนี่ยนะไม่ค่อยบ่อยนะครับเอาแต่เรื่องของคนไม่ดีมาคิดซะส่วนใหญ่นะครับ คิดแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อความไม่สบายใจคิดแต่เรื่องอเป็นที่ตั้งแห่งความกลัดกลุ้มใจถ้าสำนวนเราก็คือชอบเดินถอรองเท้าแล้วก็ไปเดินเหยียบน้ำมันนะแล้วก็มานั่งบ่งน้ําออกนั่นแหละครับลักษณะนั้นนะนะทีนี้ความคิดที่เป็นไปกับบาปอากุศนก็เหมือนกันชอบไปคิดแบบนั้นบ่อยๆเสร็จแล้วก็มานั่งฟุง้งมานั่งเครียดมานั่งอุดอัดเสร็จแล้วพออกคุสน์วิตกแบบนั้นเกิดบ่อยๆครับเป็น เป็นผู้ที่ไม่สำรวมมนินทรีเมื่อไม่สำรวมมนินทร์ีจิตเป็นไปกับอกุศลเสร็จแล้วก็เวลาพูดถึงสิ่งนั้นก็พูดด้วยวจีทุจริตนะครับเวลาทาถึงสิ่งนั้นเป็นต้นก็เป็นกายทุจริตพร้นอกุศลคือทุจริตสามก็จะบริบูรณ์พรา้นพระองค์ก็ให้ตัดปัญหานี้ด้วยการเจริญอาณาปานสติไว้เฉพาะหน้าในภายในนะครับจะได้ไม่พลาไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ คิดพลานกับการเจริญวิปัสสนาในคนละอย่างนะครับการพิจารณาขันภายนอกโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะรู้ตามเป็นจริงกับคิดพลานไปนี่แตกต่างกันเพราะว่าไอ้การพิจารณาขันเป็นต้นในภายนอกนั้นนะพิจารณาด้วยกุศลมันเมื่อพิจารณาเสร็จจะสงบแต่ถ้าอากุศลวิตกเนี่ยนะครับพิจารณาด้วยวิตกนี่โดยมากก็จะอึดอัดขับแคนต่อด้วยโทสะนะครับผลของการ ไม่แยบคายก็จะเป็นโทสะเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ย่อมละอวิชชาได้วิช ย, ย่อมเกิดขึ้นนะเมื่อเจริญอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะครับจะ ก, กาจัดอวิชชาได้และพวกองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจ มีความเพียรทุกเมื่อพิจารณาเห็นซึ่งนิพพานเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแหลผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ในนิพพานเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงภิกษุนั้นแลผู้อยู่จบอภิญยาสงบระงับล่วงโยคะเสียได้แล้วเชื่อว่าเป็นมุนีนะครับผู้ที่เป็นมุนีเนี่ยนะครับก็เขามีกา ร, ป, รปฏิบัติโดยการเจริญอสุภสัญญา เจริญอาณาปานสติแล้วก็พิจารณาเห็นนิพพานนะครับแล้วก็ภาพเพียรพยายามตั้งมั่นอยู่ในนิพพานนั่นแหละครับจนถึงกระทามอภิญญาให้แจ้งคําว่าอภิญญาในที่นี้ได้แก่การแทงตลอดอริยสัจสี่นะครับเพราะว่าอภิญญาข้อสุดท้ายจริงๆก็คืออาสวัคคายาย น, นะครับการบรรลุอริยสัจนั่นเองนะครับ น, นั่นก็ถือว่าจบแล้วนะครับก้าวล่วงโยคะเครื่องประกอบสัตว์เอาไว้ในภพได้หมด อธิกฐาอธิบายอสุภาษูที่6นะครับมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่าอสุภานุปสัสีความว่าเธอทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่งามเชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่งามคืออาการที่ไม่งามในกายด้วยสามารถแห่งอาการ32และด้วยสามารถแห่งการน้อมเข้าไปหานิมิตที่ตนถือเอาแลว้ว ในศพที่ขึ้นพองแล้วเป็นต้นอยู่นะครับก็คือพิจารณาผมใช่ไหมครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อใ้กระดูกมา้าหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มาพิจารณาผมโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานสันฐานของผมเนี่ยนะครับส่วนทรงของผมเนี่ยนะแล้วก็โอกาสตั้งอยู่บนศีรษะแล้วก็ตัดต่อระหว่างผิวหนังเนี่ยนะครับผมแล้วก็พิจารณาขนที่ตาอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับ สังเกตนะขนตาเนี่ยดูงามถ้าเปื้อนขี้ตาจะเป็นยังไงนะครับเคะนะเพราะฉะนั้นผมโดนขนขนจมูกขนหนวดเคราทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับแม้กระทั่งขนลักแร้เป็นต้นเนี่ยนะขนแข้งขนขาเนี่ยนะในขนเหล่านั้นก็มีความปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานนะครับโดยกลิ่นแล้วก็โดยโอกาสแล้วก็โดยปริเฉษเหมือนกันเล็บก็เหมือนกันนะครับเล็บที่ขาดการทําความสะอาดเป็นต้นเนี่ยนะเล็บโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นถ้าคนที่ เล็บเป็นเชื้อราเป็นต้นนี้ก็มีความปฏิกูลคนที่งามๆก็ถ้าเชื้อราเป็นต้นลงก็เสียหายเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่ตั้งของโรคข้างหลางนั่นแหละเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งฟันก็เหมือนกันนะฟันเนี่ยนะแต่ละซี่แต่ละซี่เนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในปากก็ดูงามเป็นระเบียบแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่แปรงฟันนะครับปล่อยทานเปือกทานมันเยอะๆเนี่ยนะไม่แปรงฟันเนีย่ยไม่นานนะเคลือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอเขาเล่าว่าฟันของมนุษย์เนี่ยนะครับถ้า ถูกคนต่อคนกัดกับถูกสุนัขกัดเนี่ยนะครับถามว่าต้องรักษาอะไรก่อนอะไรฉุกเฉินกว่ากันก็ <c oughs> ตั้งคําถามแบบนี้นะก็ต้องตอบว่าคนกัดนะครับถือว่าฉุกเฉินกว่าสุนัขกัดถามว่าทําไมเพราะว่าคนกัดเนี่ยนะครับคนเนี่ยกินน้ําตาลมากเข้างั้นวันเวลากัดเนี่ยพิษจะแรงกว่านะโทษจะมากกว่าสุนัขกัดเข้างั้นเพราะฉะนั้นจะต้อง <c oughs> รักษา <ality> แผลที่ถูกคนกัดก่อนนะครับถือว่าฉุกเฉินกว่า เอาจริงมหมอเล่าให้ผมฟังกันนะครับเพราะว่ามนุษย์นี่กินน้ําตาลมากนะเพราะฉะนั้นพวกไอ้เชื้อโรคทั้งหลายแหล่นี่ยนะครับที่อยู่ในปากเนี่ยหนักหนาสาหัสก็สังเกตดูถ้ากลิ่นปากม้ากับกลิ่นปากคนเนี่ยใครจะเหม็นอกันนะเทียบไปแล้วนะถ้าไม่แปลงฟันเหมือนกันนะถ้าคนไม่แปลงฟันเหมือนสุนัขนะนะครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยกลิ่นปากแรงกว่าเยอะนะครับครับน้ําตาลเป็นเห็ุคัน แม้กระทั่งฟันผุฟันอะไรทั้งหลายแหละก็อาศัยน้ําตาลนั่นแหละครับเป็นหลักะฉะนั้นไอฟันนี่ก็เป็นของปฏิกูลใช่ไหมครับถ้อนมาเนี่ยนะวันก่อนหมอเขาถอนฟันมาให้ดูนะครับหมอก็ถอนมาเราก็มานั่งดูฟันแต่ละอันแต่ละอันที่ถอนมานะครับไอ้ฟันที่ถูกถอนนี่มันก็ฟันไม่งามอยู่แล้วใช่ไหมพูดอย่างนี้ก็นึกถึงหมอที่ถอนฟันเออวันหนึ่งจะถอนรู้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยนะ แต่แต่เออแต่หมอนี่ปิดเงียบดีมกันนะไปถอนยังไงมาไม่พอบอกเราเลยอ่ะปิดเงียบมาปฏิกูลแค่ไหนเนี่ยนะแต่ก็บอกว่ากลิ่นไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องพวกบวมนะพวกอางเหือกบวมเป็นต้นนะจึงมาหาหมอเอาคนฟันดีๆจะไปหาเที่ยวหาหมอง่ายๆเลยนะครับเว้นไว้แต่พวกที่อนามัยจัดนะแต่ถ้าถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วนะครับเขาก็ไม่ไปหาหมอมันก็ต้องปิดปากปิดอะไรหมดแล้วครับ่ะ นะเออฟันนี่เป็นของปฏิกรูนน่าเกลียดจริงๆนะครับแล้วก็มีเลือดเนี่ยหลอเลี้ยงถ้าถอนออกมาก็เลือดอาบนะครับมีเครื่องดูดตลอดเลยนะแล้วก็ผิวหนังก็เหมือนกันนะครับผิวหนังนี่มันก็ลอกทุกวันนะครับมันก็ลอกนะมันก็ตายทุกวันเซลเนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกมแมลงหรือว่าไอ้ไรฝุ่นไรอะไรบางตัวบางชนิดเนี่ยนะครับมันก็กัดกินพวกผิวหนังนี่แหละครับ ถ้าผิวหนังมันหลุดไปในพื้นนะมันมีสัตว์บางประเภทที่มันอยู่ตามพื้นคอยกินไปอีกนะครับผิวหนังเนี่ยนะมันก็ลอกทุกวันนะเนี่ยมันถ้าหากว่าเราสังเกตดูนะในในผ้าเนี่ยพอหลายๆวันเนี่ยมาถูเนี่ยนะครับมันจะหลุดหลุดหลุดหลุดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผิวหนังก็เป็นอย่างนั้นก็ปฏิกูลท่นี้ผิวหนังถ้าเอาภายในมาไว้ภายนอกบ้างนะครับถ้าถลกหนังเหมือนหนังกบดูจะเป็นยังไงนะครับก็คล้ายๆกันถลอกไปแล้วก็จะมีมันเปลวมันนะครับก็เต็มเคลือบไปหมดละทั่วร่างกาย เชือเอาภาพที่ท่านไปสิทธ์เข้าไปที่เขาล้างป่าช้านะครับผิวหนังทางตั้งแต่หัวเนี่ยถลกมาอยู่ข้างล่างหมดนะครับมีแต่ตาแปวเลยนะครับไม่ใช่ครับอยู่กับท่านไปสิทธนู้เอามาจากนเขาล้างป่าช้าทางคอนก็ น, น, นยยครับแล้วก็พิจารณานนะผิวหนังนะครับแล้วก็เข้าไปชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับชิ้นเนื้อตามตั้งแต่หัวเนี่ยนะครับตาม เรียดขมับอ่ะนะที่กล้ามเนื้อตามช่วงขากันไกลนะครับเพราะกล้ามเนื้อทั้งหลายแหลข้างหลังข้างหน้าเป็นต้นนะครับตั้งหัวจรดเท้านี่นะแล้วก็เนื้อแล้วก็มีเส้นเอ็นที่รัดเนื้อเอาไว้ให้มันติดพันกันนะครับสายเส้นเอ็นแล้วก็หุ้มกระดูกไว้นะครับร่างกายนี้เป็นนครแห่งโครงกระดูกนะครับถ้าหากว่ากระดูกมันยาวไปก็เป็นคนสูงนะครับกระดูกสั้นก็เป็นคนต่ำ กระดูกหักก็เป็นคนที่สัส้ทรงไม่งามเป็นต้นก็โครงกระดูกเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างหลักๆของมนุษย์นะเน่โครงกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกอยู่ข้างในนั้นเข้าไปอีกนะครับแต่ละอย่างก็ปฏิกูลนะกระดูกกระดูกยื่นมาทางจมูกมากก็เรีคนนะจมูกโด่งงามเป็นต้นเนี่ยนะครับนั่นะนะเข้าใจวา ง, งา่างที่จริงก็คือโครงกระดูกนั่นเองนะครับโครงกระดูกใช่ไหมครับ มันดูเหมือนเรียวงามเหมือนกับทรงดีหุ่นดีเป็นต้นก็คือโครงกระดูกที่อยู่เบื้องหลังนั่นแหละครับรครั บ, รบไม่งามนะ <c oughs> ก็เป็นลักษณะ น, นั้นไปเันทีนี้กระดูกก็อาศัยเนื้อและเนื้อเนี่ยนะครับมาฉาบเอาไว้นะครับฉาบงามฉาบไม่งามเป็นต้นกอ็อาศัยอาหารที่รับประทานเข้าไปนะครับมารอเลี้ยงพาะคุณ น, นี่ก็ยังประกอบไปด้วย ไตอีกนะครับเป็นเครื่องกรองของเสียออกจากร่างกายนะครับส่วนไหนที่ในร่างกายไม่ต้องการก็จะไปกรองที่ไตไตก็จะขับออกมาเป็นตัสวะนะครับส่วนที่พอใช้ได้ก็ดึงกลับไปใช้ในร่างกายคืนเพราะฉะนั้นเมื่อนกับน้ําไปผ่านเครื่องกรองนั่นเองนะครับกรองของเสียออกไปแต่กดด็ดูดคืนนะครับดูดไปใช้งานคืนก็เกิน 90% นะครับแต่ว่าที่ปล่อยไปนี่นิดเดียวจริงๆนะครับเพราะนั้นในร่างกายของเราก็มีน้ําไหลเวียนอยู่ตลอดทั่วทั้งร่างกายนั่นแหละครับ เป็นรูปแบบในน้ําเลือดน้ําเหลืองสัมบันฑ์กันไตก็เป็นร่างกายส่วนหนึ่งทีนี้หัวใจแหละครับหัวใจที่มันเต้นตุบๆเนี่ยนะครับที่เลือดนะครับเป็นปั๊มเหมือนกับปั๊มเครื่องสูบฉีดเลือดนะครับให้ไหลไปทั่วสารพรางกายหัวใจก็มีความปฏิกูลนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอาศัยหัวใจนี่มีมากมายมหาศาลนะครับโรคสมัยใหม่แต่หัวใจเขาก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับเท่ากับใหญ่กว่ามะนาวหน่อยเหมือนก็เปลี่ยนปั๊มเลนะ หัวใจมันก็เหมือนกับปั๊มแต่ว่าอันหนึ่งก็เป็นล้านนะครับนะหัวใจอันหนึ่งนี่ยของปลอมครับของปลอมเนี่ยเป็นล้านนะครับหลายล้านเหมือนกั น, นอันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายนี่มูลค่าเป็นล้านนะครับแล้วรหัทยะววัตถุที่ที่หัวใจเดิมที่มันถูกตัดออกไปเนี่ยแล้วก็เอามาตั้งใหม่ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆนะครับมันมันมีการ มันยังไงกันแน่เน่ยอาจารย์ลองอธิบายดูก็มีเรื่องที่ที่จะต้องศึกษากันต่อไปอีกเยอะนะครับ mm hmm. เพราะว่าที่จริงแล้วคําว่าหัตยาวัตถุไม่ใช่อันเดียวกันกันกบหัวใจนะครับคนละอันกันแต่อย่าลืมว่าคน mm hmm. ก็อาศัยส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าคนที่ผ่าหัวใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนหัวใจแล้วรอดไม่กี่คือไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะด้วยกรรมบางอย่างรอเลี้ยงก็ได้เพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนหัวใจได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้หมดอะไร เพราะฉะนั้นก็บางส่วนก็ตำหล่อเลี้ยงเอาไว้นะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนทีนี้ต่อไปนะครับว่าแล้วก็พวกม้ามนะครับพวกม้ามก็ก็มีเอาไว้ส่วนนึงก็คื อ, อไว้กําจัดเชื้อโรคด้วยมั้งแล้วก็ยังมีปอดมีพังผืดนะครับมีตับแล้วก็มีปอดนะครับปอดที่หายใจนะเป็นตัวฟอกเลือดนะครับ แล้วก็ยังมีอันนะลำระบบทางเดินอาหารนะครับตั้งแตบบ่ปากเรียกลําไส้ใหญ่ลําไส้น้อยนะครับก็อาหารที่รับประทานไหลเข้าไปทางอาหารทางลําไส้ใหญ่นะไปถึงข้อพาะไปหาลําไส้เล็กดูดซึมเป็นนะเลยลำไส้เล็กไปถึงลําไส้ใหญ่ก็เป็นอาหารเก่าไปเป็นอาหารใหม่อาหารเก่านะนี่ตระกูลธาตุดินเนี่ยนะอันแต่ละอย่างถ้ามีการเอามาพิจารณาให้บริบูรณ์รอบครอบจริงๆก็จะเป็นของที่ ปฏิกูลนะครับความสาคัญที่เป็นสุภาะทั้งหลายก็จะหมดไปนะสุภาษะธาตุก็จะหมดไปอันก็อยู่ที่ว่าพิจารณามากขนาดไหนด้วยนะครับถ้าบอกว่าบางคนก็พิจารณาแล้วเอ๊กก็ไม่เห็นมันละคลายราคะอะไรเลยอะ่ะก็ลองเทียบอย่างนี้นะครับว่าเราคิดโดยความเป็นของงามกับคิดว่าไม่งามเนี่ยนะโดยสถิตินะครับเอาวิชาสถิติมาจับดูว่าคิดถึงเรื่องงามๆเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้ว คิดถึงคําว่าไม่งามเนี่ยกี่นาทีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันห่างกันมากเกิดมาคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามเนี่ยนะพึ่งมาคิดไม่งามสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่เพียงพอกันหรอกครับอุปนิสัยที่สะสมมาในเรื่องงามมีมากเกินกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องไม่งามถ้าพิจารณาเท่ากันกับที่คิดว่างามแล้วราคาเป็นต้นมันไม่ยุบนะครับค่อยว่ากันใหม่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลนี่เป็นผลของอาหารนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลารับประทานอาหารก็นึกถึงเออนี่นะผลของเขาก็คืออุจจาระปัสสาวะเวลาเข้าห้องน้ํานี้เป็นผลของอาหารนะแล้วก็พิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะครับเห็นสุเห็นอุจจาระสุนัขเป็นต้นก็พิจารณาเออเนี่เป็นผลของอาหารนะตอนที่มันเป็นอาหารก็มันได้รู้สึกว่ามันปฏิกูลขนาดนี้แต่พอไปเจอร่างกายนี้เข้าไปเปื้อน กายนี้เข้ากลายเป็นของปฏิกูลไปหมดเลยแต่จริงๆถ้าหากว่าเราไม่หลอกตัวเราเองนะเร า, าเจออะไรที่มันปฏิกูลอย่างนี้นะปฏิฆาิมิตเกิดนะครับแล้วแต่เพียงแต่เกลียดชังขยะขแขยงแล้วเราก็เมินหน้าผ่านไปแค่นั้นนะครับทำไมที่จะสาวไปว่าอ <S <s <German> <S อานี่เป็นพ่อผลพวงของการกินอาหารอร่อยๆเนี้ยเนี้ยนะในตอนกินก็เมามันอเละอร่อยดีนะตอนนี้เนี่ยดูสิอะไรอย่างเงี้มันผมว่าน้อยน้อยมากที่เราจะคิดอย่างเงี้ยก็ ไม่สายนะครับรู้ตัวก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าจะได้พิจารณาต่อไปนะครับมันจะได้อย่าได้บาปบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็พิจารณาถึงความปฏิกูลหรือว่าความไม่งามในร่างกายนะครับของสิ่งที่มีชีวิตก็เน้นที่อาการสามสิบสองนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเช่นซากศพทั้งหลายที่ขึ้นอืดขึ้นพองเลยนะซากศพที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันซากศพที่ตายแล้วเป็นปีเป็นต้นแม้กระทั่ง ไปเห็นอะที่เรียกว่าที่เก็บกระดูกทั้งหลายโกดเก็บกระดูกทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเจดีทั้งหลายเนี่ยนะก็น้อมเข้ามาสู่กายของเราได้นะครับว่าเออถึงร่างกายอันนี้เราก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วง <_' Sí> <ๆ>ความเป็นอย่างนี้ไปได้นะครับที่จริงแล้วนิมิตหมายของคนตายเนี่ยมีมากมายเยอะแยะนะครับแม้กระทั่งถ้าเราไปตามวัดต่างๆก็จะเห็นที่เก็บกระดูกทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ได้เลยนะครับ หรือว่าไปตามที่เผาป่าในป่าชาตินะครับที่เขาเผาศพทั้งหลายแหลเนี่นะหรือเห็นซากศพทั้งหลายที่ตายแล้วเนี่ยก็น้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละเห็นภาพในรูปถ่ายทั้งหลายแหล่ที่เป็นภาพซากศพนะครับหรือนักพวกหนังสืออาชญกรรมทั้งหลายแหล่ก็น้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละว่าถึงร่างกายอันนี้ก็มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นแบบนี้ไปได้เลยนะครับแม้แต่เห็นกระดูกชิ้นเดียวก็น้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละว่าไม่นาน กระดูกในภายในนี่ก็จะเรียอะไรก็จัดกระจาอยู่อย่างนี้แหละถ้าพอกพูนแบบนี้มากมากนะครับคิดเท่ากับสิ่งที่เราชอบรักเราชอบใจเนี่ยนะคิดให้เท่ากันนะครับอนุภาพของการเจริญอสุภาษจะมากกว่านะครับอสุภาษจะจะมีกำลังมากกว่าแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะครับแต่ทีนี้เวลาเจริญไปแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาอยากย้อมใจให้อยู่ในโลก เพราะฉะนั้นหายามาปลุกปลอบใจยังไง ใ, ให้มันดูอะไรก็งามไปหมดเลยนะครับสมัยนี้มันเป็นอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องการจะย้อมโลภะให้มันเกิดมากๆอนะมันก็ไม่ได้เห็นสัจธรรมอะไรแต่ผู้ที่อยู่ในสมมนาเพศเนี่ยนะครับถ้าไม่เจริญประเภทนี้มากๆนะครับมันก็อยู่แบบกลัดกลุ่มนะครับหนักๆ เ, านานๆเข้านานๆเข้าก็จะเป็นอบัติทีนี้เป็นแล้วก็ไม่ท้าไม่แสดงคืนก็ปกปิดหมักหมมไว้นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกับแผลที่ถูกกดทับกดทับนะครับ ไม่กล้าไปรักษาเพราะอายนะครับมันก็เปื่อยเน่านานๆก็ น, น, น, นอนก็ชวนใช้แล้วนะครับมาแรงวัน ค, คือกุศลวิตตกก็บินว่อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะนั้นไปอนอสัสพานั้นเมื่อเจริญแล้วก็จะทำให้อยู่เป็นสุขนะครับบนว่าอานาปานสติได้แก่สติในลมหายใจคือสติที่ปรารบลมหายใจนั้นเป็นไปอธิบายว่า สติที่กําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้เป็นต้นว่าลมหายใจเข้าชื่อว่าอาณนะไม่ใช่ลมหายใจออกลมหายใจออกชื่อว่าปานะไม่ใช่ลมหายใจเขา้าเพราะฉะนั้นอาณาปานะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับเพราะฉนั้นถ้าหากว่าเจริญอาณาปานสติตั้งไว้เฉพาะหน้านะครับตั้งไว้เฉพาะหน้าเนี่ยนะมีสติตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกเฉพาะหน้า ท่านอธิบายว่าก็อานาปานสตินี้จงเป็นอันเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วเฉพาะหน้ากรรมฐานดังนี้นะครับอันนี้ก็ขยายคําว่าปริมุขขังนะครับทีนี้ปรินี้แปลว่าปริมุขขังเนี่ยมีการนําออกไปตามที่กําหนดไว้แล้วสมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามักว่าบทว่าปริมีความหมายว่ากําหนดบทว่ามุขขังมีความหมายว่านําออก สติมีความหมายว่าเข้าไปตั้งไว้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าจงตั้งสติไว้เฉพาะหน้าดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงการเจริญกรรมาฐานคืออาณาปานาสติ16ประเภทในสติประฐาน4นะครับคืออาณาปานาสตินี่นะครับมี16หัวข้อ16หัวข้อเรียกว่า16ข้อ แบ่งออกเป็นจตุกะข้อกลุ่มละสข้อ4ข้อ4ข้อเขาเรียกว่า4จตุกะนะครับสีูณสก็เท่ากับ16บนะครับสข้อแรกเขาเรียกว่ากายานุปัสสนา4ข้อที่2เรียกว่าเวทนานุปัสสนา4ข้อที่3เรียกว่าจิตานุปัสสนา4ข้อสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสสนา4ข้อแรกนะครับสข้อแรกก็คือการพิจารณาลมหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ข้อ1 สองอพิจารณาลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อ3ก็คือกําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกขอ้อ4ก็คือระ ง, งับลมหายใจหยับหย บ, ยบออกไปนะครับสับพพกายะ อ, าอะไรนะปัตตัมพยังกายะสร้างคารังนะครับก็คือระ ง, งบับสงบกายะสังขารกายะสังขารก็คือลมหายใจเข้าออกนั่นแหละครับนะคําว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีนี่นะครับ กำหนดรู้กองลมทั้งปวงนั่นเองนะครับเพรันชั้นต้นเลยข้อแรกนะครับลมหายใจเข้ายาวออกยาวข้อที่สองลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อ3มกองลมทั้งปวงข้อ4ระ ง, งับกายะสังขารคือระ ง, งับลมหายใจหยับหยาบออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะระ ง, งับได้จริงๆก็ระดับเจตุทะชานนั่นแหละครับ พันการที่เน้นไปที่กองลมเนี่ยนะครับเน้นไปที่ตัวลมเนี่ยเพราะฉะนั้นลมเนี่ยเป็นรู ป, ปรขันเป็นนิมิตของกายานุปัสนาเพราะฉะนั้นตัวลมนี้เป็นอารมณ์ของกายานุปัสนานะครับแต่ก็ต้องเจริญอนุปัสนาให้เป็นนะครับเพราะว่าเอาลมมาตั้งเฉยพานต้องไปเรียนคําว่าตัวตัวสติปัฏฐานอีกครั้งหนึ่ง น, นะครับอันนี้พูดถึงรู ป, ปรขันไม่ได้พูดถึงตัวสตินะครับแต่ว่ารู ป, ปรขันนี่เป็นนิมิตหมาย ของสติแต่ที่เจริญจริงๆเนี่ยเจริญตัวเจริญสตินะครับไม่ใช่เจริญลมแต่ว่าลมเนี่ยถ้าพูดถึงลมก็เป็นนิมิตหมายของสตินะครับทีนี้4ข้อที่2นะครับข้อที่2นั้นก็คือข้อที่ 5, 6, 7, 8นะครับข้อนี้นั้นนะครับข้อแรกก็บอกว่ากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าออกนะครับกำหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออก กำหนดรู้จิตตังขานหายใจเข้าหายใจออกนะครับระ ง, งับจิตตังขานหายใจเข้าหายใจออกนะครับมันก็มีอยู่4ข้อเหมือนกันลักษณะนี้เป็นเวทนานุปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นปีตินะครับกำหนดรู้ปีติหายใจเข้าออกกำหนดรู้สุขหายใจเข้าหายใจออกนะครับกำหนดรู้จิตตังขานนกรก็คื อ, งงร ส, รอ ส, นนสัญญ า, าและเวทนาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ระงับจิตตังขารคือระงับเวทนา อันนี้ก็เป็นเวทนานุปัสสนานะครับเป็นเวทนานุปัสนาแต่ถ้าใช้คำว่าอนุปัสนานี่นะครับตั้งแต่อนิจจานุปัสนาเป็นต้นนะครับถ้าอนุปัสนาเนี่ยครับเช่นพิจารณาเห็นเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะนะ <assa> จึงจะเรียกว่าเวทนานุปัสนาเพราะเวทนาบวกอนุปัสนา <m> อนุปัสนานั้นหมายถึงอนุปัสนาเจ <m> ็ดอย่างนะครับทีนี้ต่อไปว่า สข้อที่สาข้อที่3ก็หมายถึงข้อที่เก้าข้อที่10 11 12เนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าข้อแรกนะครับคือเท่ากับข้อที่9เนี่ยหมายถึงว่ากาหนดรู้จิตหายใจเข้าหายใจออกนะครับข้อที่10ทําจิตให้บันเทิงนะครับทําจิตให้บันเทิงหายใจเข้าหายใจออกข้อต่อไปอีกก็บอกว่าตั้งจิตมั่นนะครับ ตั้งจิตมั่นหายใจเข้าออกแล้วข้อที่12นั้นก็คือเปลื้องจิตหายใจเข้าหายใจออกนะครับมีบิวข้อด้วยกัน1กําห น, นดรู้จิตสองทำจิตให้บันเทิง3ตั้งจิตมั่น4เปลื้องจิตนะครับหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็จิตตานุปัสสนาก็คือพิจารณาจิตโดยอาการทั้งหลายเหล่านี้ด้วยอนุปัสสนาทั้ง7นะครับเรียกว่าจิตตานุปัสสนาทีนี้ ต่อไปอีก4ข้อสุดท้ายนะครับ4ข้อสุดท้ายก็คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกนะครับอ น, นิจจานุปัสสีนะครับต่อไปก็เลยทุกขาเลยอนัตตาเลยนิพิทาเอ่อเลยนิพิทาเลยนะครับไปเป็นวิราคานุปัสสีพิจารณาโดยวิราคะคือความคลายกำหนัดนะครับแล้วก็นิโรธานุปัสสีนะครับพิจารณาโดยความดับแล้วก็ปฏินิสคานุปัสสีนะครับ โดยการสละคืนหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เป็นธรร ม, มานุปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นเจริญอาณาปานาสติมีวัตถุ16นะครับสีจ่จตุกะตามแนวสติปฐาน4นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครันทรงสแสดงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นสปายะแก่ผู้ที่เป็นราคะจริตราคะจริตก็อสุภกรรมฐานนะครับทั้ง อสุภากรรมฐานนั่นนะ่ะทั้งในคนเป็นและในคนตายถ้าในคนเป็นให้เจริญอาการ3 2มในคนตายให้เจริญซากศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองเป็นต้นไปนะครับ น, นี้เรียกว่าเป็นอุบายเครื่องกําจัดราคะจริตส่วนอานาปานาสติเพื่อตัดวิตกจริตนะครับเป็นสปายาคกันคนวิตกจริญด้วยสา ม, มารถแห่งการพิจารณากายเนืองๆด้วยการทําไว้ในใจโดยปฏิกูลโดยสังเขปเท่านั้นอย่างนี้ บัด น, นี้เมื่อจะทรงแสดงเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานลุน่ลนๆจึงตรัสคำเมียที่ว่าสัพพะสังขาเรสุอนิจจานุปัสีวิหาระะนังนี้ในวิปัสสนากรรมฐานนะครับพึงทราบหมวดทั้ง4อย่างนี้คือคําว่าอนิจจังหนึ่งคำนะครับควรรู้จักนะควรเข้าทําความเข้าใจาให้ดีนะครับอนิจจังสองอนิจจารักษณะ3อนิจจานุปัสสนา4อนิจจานุปสี ขันธ้าพันจากระนี่นะครับชื่อว่าอนิจจังนะตัวขันห้าทั้งหมดนะครับขันทั้งห้าเลยนะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยนะทุกขันเนี่ยชื่อว่าอนิจจังเพราะมีแล้วกลับไม่มีเพราะประกอบด้วยความเกิดและความเสื่อมไปเพราะเป็นไปชั่วคราวและเพราะแยง้งต่อ น, นิจจคือความเที่ยงนะครับอันนี้คือตัวอนิจจังนั้นได้แก่ตัวขันห้านะครับ เพราะว่ามีแล้วก่อใหม่มีมีความเกิดและความเสื่อมก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่แย้งต่อความเที่ยงคือมันไม่เที่ยงนั่นแหละทีนี้อาการอากา ร, าการที่มีแล้วกลับไม่มีอันใดของขันธปัญจการ น, นั้นชื่อว่าอานิจจาลักษณะนะครับอาการอาการนั้นะอาการที่ไม่เที่ยงนั่นแหละนะสภาวะที่ไม่เที่ยงนะอาการเนี่ยนะอันนี้ลักษณะท่านบางท่านอธิบายว่าเป็นบัญญยักนะครับ อาการที่ไม่เที่ยงนั่นแหละครับชื่อว่าอนิจจารักษณะวิปัสนาคือปัญญานะครับที่ปรารบอนิจจารักษณะนั้นเป็นไปชื่อว่าอนิจจานุปัสนานะครับคือตัวปัญญาที่มีอนิจจารักษณะนี่นะที่ปรารบถึงอาการที่ไม่เที่ยงอันนั้นเนี่ยนะครับอันนั้น่ะชื่อว่าอนิจจานุปัสนาพโยคาวจรผู้ใดผู้หนึ่งผู้เห็นแจ้งนะครับลักษณะ นั้นอ่ะที่ว่าไม่เที่ยงนะครับเห็นอนิจจาลักษณะว่าไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าอนิจจานุปัสสีเพราะฉะนั้นคําว่าอนิจจังได้แก่ขันธปัญจากะคําว่าอนิจจาลักษณะคืออาการที่ไม่เที่ยงคําว่าอนิจจานุปัสนาได้แก่ปัญญาที่พิจารณาเห็นไม่เที่ยงคําว่าอนิจจานุปัสสีหมายถึงบุคคลที่มีปัญญาเห็นว่าไม่เที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นสี่คำนี้ควรทําความเข้าใจาให้ดี ก็ในสติปัฏฐานนี้ควรจะกล่าวอาสุภะกะถา11อย่างให้ถึงปฐมฌานนะครับเขบอกว่าถ้าจะอธิบายสูตรนี้ให้พิสดาร น, นะครับควรเอาอาสุภะคือซากศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองเป็นต้นนะ อ, อสุภะสัญญา10บนะครับบวกกับกายคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็อธิบายให้จนถึงปฐมฌานานาปานสติกถาที่มีวัตถุ16ก็อธิบายให้ถึงจตุฌานวิปัสสนากถาโดยพิสดาร นะถ้าจะเอาสูตรนี้นะจะเอาอธิอธิบายให้ละเอียดแต่อสุภาคภาาเป็นต้นนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในประการวิเศษชื่อว่าวิสุทธิมักโดยครบถ้วนทุกประการเพราะฉะนั้นพึงทราบโดยนิยะดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในคำภี์วิสุทธิมักนั้นเถิดท่านบอกว่าโอ้อธิบายไว้แล้วที่นั่นนะเอามาอธิบายที่นี่ก็เดียวโอ้โหอิติอุตกานี่จบไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไปเปิดเอานะครับในตู้เราก็มีนะครับ มีทั้งอัตกถามีทั้งดีกาก็มีหมดนะครับมีตั้งหลายเจ้าด้วยเนอะมีทั้งของมหามกุตก็มีมีของวัดมหาธาตุก็มีมีของภูมิพโลก็มีนะครับศรัทธาแบบไหนเอาบาลีครึ่งไทยครึ่งก็ได้นะครับมีหมดเลยถ้าไม่มีก็หาเพิ่มเนาะนะครับ